เสียงงานหนังสือความสวัสดีเรียบเรียงโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมหาวิทยาลัยสงฆ์ของไทยผู้แตกชานทั้งด้านป ร, ริยัติและด้านปฏิบัติสมาธิวิปัสนาผู้แปลและชําระอัตถกาลและดีกาฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นคำพีที่อธิบายความหมายของคําศัพท์ที่เข้าใจยากและความหมายของวลีประโยคหรือข้อความที่มีไวยาสลับซับซ้อนในพระไตรปิฎก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 ไม่แปลพันเป็นอื่นตถาคตได้รู้แจ้งเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วนำมาบอกและอธิบายทำให้ง่ายขึ้นข้อความที่ข้าพเจ้าอ้างมานี้มีอยู่ในธรรมนิยามสูตรอังกุตรนิกายติกานิบาตประไตปิฎกเล่มที่ยี่สิบและในมูลาปริยายสูตรมชิมานิกายมุลปันนาตประไตปิฎกเล่มที่สิบสอง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 มันทำให้ชีวิตของเรามีความหมายมีความสดชื่นยิ่งกว่าการปลูกต้นไม้หรือยิ่งกว่าการปลูกกล้วยไม้เสียอีก